ตอนที่ส 2. สองเราทุกๆความเรียกร้องทุกๆความรอคอยเป็นสภาวะทุกข์ที่ทนได้ยากการร่ำหาใครสักคนมาพนอมายอมรับมาเอาใจเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครอยากทนเมื่อเขาคนหนึ่งสามารถเข้ามาบำบัดความบีบคันของจิตใจนี้ได้คนเราก็มักจะระเริงจนลืมตัวอย่างไม่เข้าใจตนเอง ตราบใดที่ข้อเรียกร้องของจิตใจได้รับการบำบัดก็จะรู้สึกหือหันเขาหรือเธอที่ร่ำร้องจะเป็นยอดในสายตาของกันและกันคู่รักจึงรู้สึกสุขหล้นเมื่อได้เชื่อยังสนิทใจว่าตนมีความหมายต่อกันคือความสุขใจในการได้ครอบครองสมบัติบุคคลชีวิตจิตใจของเขาจะเฝ้าครุ่นคิดถึงกันเอาใจใส่ต่อกันทาอะไระไรให้แก่กันหายใจเข้าออกเป็นเขาเป็นเธอ หนุ่มสาวจะรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของสองเราราวกับว่าโลกนี้มีเพียงเราเขาอาจปักใจเชื่อว่ารักเขานั้นบริสุทธิ์มั่นคงเพอบูชาความรักว่าประเสริฐสุดแต่โดยความเป็นจริงแล้วความรักทําให้คนตาบอดเป็นคําเตือนเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอโลกของสองเราเป็นเพียงอารมณ์ที่มีคนร่วมฝันแล้วชวนกันเคลิบเคลิม แต่เป็นโลกที่ไม่คงทนไม่มีความระทึกใจใดที่อมตะ ร, รักอมตะเป็นนิยายที่แต่งขึ้นย้อมใจคนเป็นเรื่องหลอกลวงถึงแม้ว่าคนเราจะครองรักกันจวบจนเท่าชราหรือตายจากกันไปแต่ความดูดดื่มระทึกใจตื่นเต้นความรู้สึกโลกนี้มีเพียงสองเราเป็นเพียงความทึ่งใจในยามแรกรักเท่านั้นไม่นานเลย เขาและเธอจะไม่พร่ำรำพันว่าโลกนี้คือสองเราอีกต่อไปแต่เมื่อเขาคือคู่ครองเขาเอื้ออาทรต่อกันมาเขาย่อมรักกันได้ดังพี่กับน้องหรือเพื่อนคู่ชีวิตมิตรคู่กายที่สนิทใจจริงใจดูเหมือนว่าแค่นี้ก็เป็นการประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ของชีวิตคู่แล้วคู่สา ม, มีภรรยาจำนวนไม่น้อยเริ่มมีเหตุผลเริ่มคิดว่า เราไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่รักกันเลยในยามที่ต่างเริ่มสางเมารักเมื่อได้ผ่านพ้นโลกของสองเราไปแล้วจึงเริ่มหูตาสว่างขึ้นเมื่อแรกรักนั้นไม่มีใครตั้งใจว่ารักและจะอย่าร้างหรือไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องอยู่กันอย่างไม่อยากเห็นหน้าแต่ในความจริงก็ต้องเลิกรากันไปอย่างปวดร้าวมากมายอีกหลายต่อหลายคู่ทนอยู่กันอย่างกล้ากลืนฝืนใจ ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยออเสาะกันปานจะกลืนกินเพราะในโลกของสองเราแห่งรักแรกนั้นทําให้มนุษย์ขาดเหตุผลแรงสเสน่หาเป็นม่านบางตาหญิงชายไม่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันตามที่เป็นจริงมีเหตุผลมากมายที่ลําเอียงหามาสนับสนุนสิ่งที่ตนพึงใจทุกรักที่ชื่นชมจะกลายเป็นของธรรมดาไปในไม่ช้านี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคู่ฟ้าดินที่ให้สัจจะว่า ไม่มีความหลงรักใดที่ไม่สลายเมื่อความหลงจางไปความสว่างก็เกิดขึ้นชาวโลกต้องการคู่ชีวิตมิตรในเรือนที่เข้าใจเห็นใจกันไปนานแต่การตัดสินใจหาใครมาร่วมฝันเพราะความหน้ามืดในโลกของสองเราได้สร้างความทุกข์ทรมานกันมานับไม่สิ้นแล้วแม้มนุษย์คิดจะมีรักสักคนแต่เขาก็ควรรู้ว่าสติปัญญาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของคนเรา เขาจึงควรรู้สึกตัวและใช้เหตุผลให้มากที่สุดไม่ควรเคลือบเคลิ้มกันจนกลายเป็นสิ่งกำหนดอนาคตอีกยาวไกลกว่าที่สองเราจะได้เหนี่ยวรั้งมาร่วมฝันกันได้นั้นมักได้ผ่านการดูใจที่ค่อนข้างลําเอียงในแง่ดีกันมานานพอควรยาวนานพอที่จะเผลอหลงผูกพันกันยังเอาเป็นเอาตายอันเนื่องมาแต่การเสพสุขทางมโนแล้วความสุขค ว, วามคลายเหงาเหล่านี้ มันก็คือสเสน่ห์อย่างวายร้ายที่ไม่จรังยั่งยืนจะยึดถือมาเป็นเครื่องชี้ชะตาชีวิตได้อย่างไรในโลกของสองเราย่อมมีเพียงสองเราในความรู้สึกนึกถึงคนอื่นหรือสิ่งอื่น น, น้อยลงหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องราวของเราสองอยู่ในวิมานรักที่มีรากฐานมาจากความคิดปรุงแต่งรักที่วาดไว้เลิศลอยและยิ่งใหญ่นั้นตั้งอยู่บนรากฐานที่ผุ ก, กร่อน ก็ร่างสร้างฝันขึ้นมาจากพฤติกรรมให้ท่าลีลาถนอมน้ำใจรูปลักษณ์ที่ต้องตาต้องใจเหล่านี้เป็นเสมือนกระพือใจให้ความไฟฝันที่คุกรุนอยู่ลุกโชนขึ้นมาอย่างลืมตัวแม้โดยอุดมคตินั้นมนุษย์ควรเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่มนุษย์ก็อ่อนแอเกินไปขาดความระวังใจและเข้าใจในยามถูกเราให้วันไหว และไม่ค่อยพยายามฝึกใจให้เข้มแข็งเมื่อสิ่งที่ถูกใจเข้ามาเขย่าวความรู้สึกปล่อยใจให้สำคัญตนเองเอาง่ายงายมันง่ายเหลือเกินที่จิตใจจอมฟุ้งซ่านจะหลงเกาะเกี่ยวใครๆขึ้นมาเมื่อเขาเข้ามายั่วให้เกิดความหวังจิตใจเงาเงาที่ร่ำร้องอยู่เป็นนิดอยู่ในสภาพเหมือนคอยตะครุบเหยื่อที่ผ่านเข้ามาในรศมีไกวีกว้าจึงง่ายที่จะผูกพันโดยไม่ต้องใช้เหตุผลแต่การฝึกสติ รู้ทันจิตใจตนเองไม่ให้หลงเนี่ยเป็นสิ่งยากและชนหมู่มากละเลยที่จะฝึกฝนให้เป็นคนเข้มแข็งให้มีความสามารถรู้สึกตัวได้ไวและรู้ทันต่อสิ่งที่ยวนใจคนส่วนใหญ่ชอบปล่อยใจให้ฟููแฟบๆไปตามสิ่งเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการเจริญสติเพื่อรับรู้สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง เมื่อถูกหลวงใจให้เข้าไปฝังใจฝังกายกับใครเข้าจนถอนตัวไม่ขึ้นก็กลับเดินเข้าไปพึ่งพิงยึดมั่นเขายัางไม่ค่อยรู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็ขาดเขาไม่ได้โลกของสองเราจึงเป็นแดนที่เดินเข้าหากันยังหลับหูหลับตาหลับใจทั้งที่เมื่อครั้งแรกเริ่มรู้สึกว่าชอบชอบกันนั้นยังไม่ถึงกับคลุมคลั่ง ยังมีมันสมองที่จะขอบคิดพิจารณาความเหมาะสมต่างๆได้อยู่แต่พอผูกพันแน่นหนาก็ตาบอดฝากชีวิตตนเองไว้กับความเป็นไปของคนอื่นอย่างประมาทแม้บางทีบางรายต้องแข็งใจเจ็บใจจากออกมาเพราะรู้สึกตัวและทำลายวิมานที่ก่อขึ้นด้วยอารมณ์ลงไปได้กว่าที่จะได้เป็นแฟนกันยังเปิดเผยแก่ชาวโลกนั้นต่างคนต่างช่วยกันก่อฝัน สร้างเส้นทางของสองเรามายาวนานแม้ยังไม่ได้สลัภาพรักแต่ใจต่อใจย่อมเข้าใจกันดีถึงความผูกพันเป็นเสียแต่บางคนที่แท่งเก่งเกินไปจนอ่านใจกันไม่ออกหรือหลงฝันเพียงลําพังไปโดยเดียวได้ความจริงแล้วทางรักเช่นนี้จะต้องร่วมกันก่อเสมอไม่มีใครหลงก่อฝันอยู่เพียงลําพังได้นานเกินไปเป็นเสียแต่เบียงสาจนเข้าใจผิด คิดว่าเขาร่วมทางฝันด้วยถึงแม้ว่าบางคราวฝ่ายหนึ่งหักห้ามใจซ่อนความเจ็บปวดแล้วเลิกราไปเพราะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่โลกของสองเราเติบโตขึ้นมาจากปุถุชนสองคนร่วมกันสร้างถ้าจิตใจปักใจลงไปแล้วทั้งที่ยังสงวนท่าทีอยู่แต่จิตนั้นย่อมเสพสุขทางมโนสำนึกแล้วหากได้พบว่ามีปฏิกิริยาปฏิเสธเกิดขึ้น หรือฝ่ายหนึ่งห่างเหินไปก็จะเกิดภาวะที่ทนไม่ได้เป็นเพลิงทุก์ที่แผดเผาใจทั้งคู่แม้พยายามแสดงความเข้มแข็งเพื่อรักษาหน้ากันในบางรายหรือสงวนท่าทีของคนไม่เคยเป็นท่ารักใครก็ตามแต่แต่เรื่องเช่นนี้เจ็บช้ำด้วยกันเสมอหญิงชายที่ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าตนเป็นคู่รักกันนั้นแม้เขาจะแสดงให้สังคมประจักษ์ว่า รักกันอย่างหวานซึง้งโลกจะเห็นเพียงบทรักเท่านั้นที่เขามีแต่ในหัวใจของเขาย่อมประจักษ์ด้วยตนเองว่าหาใช่มีเพียงความสุขเึ้งไม่ในหัวใจที่คับพองด้วยความปรีเปรมนี้ยังมีความหวาดหวัน่นมีความกลัวที่จะสูญเสียมีความระแวงในพฤติกรรมบางอย่างที่ชวนให้ฉุกคิดเหน็ดเหนื่อยกับการเอาใจต้องอาทรความรู้สึกต่อกันจนอึดอัด ความรู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนใ่ก้าแสวงหาการมีคนรักร่วมฝันมีส่วนทำให้คนเรารู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมหรือความสมบูรณ์ขึ้นมาหายเหงาหยุดเรียกร้องหยุดรอคอยหายทรมานแต่มันช่างเป็นความสมบูรณ์ชั่ววูบเดียวไม่ได้หยุดคร่ำครวญยังถาวรสองเราในชีวิตจริงที่ไม่ใช่นิยาย ยังเป็นโครคคลุกเคล้าไปด้วยความรู้สึกขาดแคลนอยู่ด้วยเสมอยามใดที่ไม่ได้ดังใจยามใดที่หวาดวันระแวงเขาจะซึมเศร้าเขาจะโกรธที่ไม่มาตามนัดเขาจะหงุดหงิดที่โทรศัพท์แล้วไม่เจอในภาวะเหล่านี้จะไม่มีพลังสร้างสรรค์ใดๆจากใจของเขาแต่มีพลังทําลายเล็ดลอดออกมาทําลายความสดชื่นของผู้อื่น และไม่มีคู่รักคนใดที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยทั้งที่อยู่กันยังไม่ได้นอกใจต่อกันนั่นแหละแต่เขาและเธอต่างรู้สึกอิ่มเอมสมบูรณ์มีพลังสันต์สร้างในยามที่ต่างมีอารมณ์หวานชื่นคู่รักในวันที่รู้สึกว่าอิ่มใจวางใจมีคนรักอยู่ในความรู้สึกเขาอาจมีเรี่ยวแรงทําอะไรได้มากมายหรือพร้อมที่จะเกื้อกูลเขาจะเต็มใจโหนรถเมย ให้คนอื่นนั่งในวันที่เขาอิ่มความรักดูเหมือนโลกของสองเราหน้าไยฝันแต่วันใดที่เขาทะเลาะกันเขาจะตาขวางไปกับทุกคนหรือโศกสลดอย่างน่าเวทนาและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของโลกแห่งสองเราเช่นเดียวกันชีวิตในโลกของสองเราเหมือนการเดินไปบนเส้นลวดที่มีความเสี่ยงอยู่เสมอเพราะการที่จะพยายามเอาใจตนเองให้ได้ดังใจตนของคนคนเดียว ก็ยากเย็นเข็นใจอยู่แล้วยิ่งพยายามเอาใจตนและเขาด้วยก็ย่อมยิ่งยากที่จะไม่มีความผิดหวังในโลกของสองเราไม่ใช่ความรักที่ประเสริฐแต่ประการใดเป็นเพียงการจับจองชีวิตอื่นมาบำบัดความวังเวงความขาดแคลนในใจต่างฝ่ายบกพร่องในความรู้สึกแท้จริงเราสองก็ไม่ได้พบรักอันยิ่งใหญ่แต่ประการใดในชีวิต แต่เป็นเพียงการแสวงหาความสมบูรณ์มาเติมส่วนบกพร่องดําเนินไปด้วยความไม่รู้เท่าทันใจตนหลงปรุงแต่งจนเกิดการเสพติดแล้วเกิดการเรียกร้องอีกชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปจากสภาพก่อนมาพบรักหากมีเหตุบันดาลให้จำพรากกันความเยียบเหงาความเรียกร้องจะปรากฏให้เห็นรุนแรงกว่าสภาพก่อนมาสู่วังวนรักเป็นเชตแต่ว่า รักของสองเราได้จืดชืดลงเสียสนิทแล้วความที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระภาพในขณะร่มหลงกันจึงมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะทำให้สภาวะนั้นคงนิรันดร์พร่ำเพอเรียกหาความเป็นอมะตะโลกของสองเราซ่อนความโหยหาไว้อย่างรุนแรงแม้จะคร่ำครวญว่าอยู่อย่างผู้บูชารัก ก็เป็นเพียงการบูชาความหลงหรือเทอิดทูนความรักเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเทอิดทูนความหลงเหนือสิ่งอื่นใดหญิงและชายจะคิดมาชอบพอสร้างเส้นทางฝันร่วมกันคงไม่ใช่สิ่งผิดหรือควรประนามแต่อย่างใดแต่นั่นคือภาวะเสี่ยงสูงอริยะผู้หลุดพลย่อมไม่คลองแวะความรักเช่นนี้แต่หมู่ชนแห่งวิสัยโลกที่ไม่เข้มแข็งพอ ยังต้องมีจิตใจโลดเล่นไปผูกพันลุ่มหลงก็ไม่ควรที่จะโลดเล่นไปยังหลับสนิทควรฝึกเรียนรู้การระวังใจและรู้เท่าทันใจให้มากที่สุดหนุ่มสาววัยร้อนแรงควรเบิงสายตาให้กว้างๆไว้บ้างมองให้เห็นสโคบของเส้นทางแห่งความหลงมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตวันสารภาพก็เหมือนวันที่หนูน้อยได้ตุกตาตัวเก่งมันไม่ใช่สิ่งระทึกใจอยู่อย่างอมาตะ ไม่นานก็สางซาลงจะจริงจังกับมันเกินไปก็จะทุกข์กับมันมากและขาดเหตุผลสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทั้งหูตาใจควรต้อนรับด้วยความรู้สึกตัวมันเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของธรรมดาหาใช่สิ่งวิเศษอันควรค่าแก่การไฝฝันแต่ประการใดเราจะระเริงอยู่ในโลกของสองเราได้ไม่นานนักหรอกหากเราไม่เข้าใจมัน และยึดมั่นจนเกินไปเมื่ออะไรไม่เหมือนดังใจก็จะมนหมองภาพพด ร, ร, รักใคร่ที่ปรากฏ ต, ต่อสายตาเราฉากรักหวานจ่อยจากภาพยนตร์ความยั่วยวนจากบทโฆษณาการแสดงความหวานชื่นของผู้รักที่อวดสายตาเราอยู่เกลื่อนกลาดราวกับจะบอกว่าโลกของสองเรามีแต่ความสุขหรืหันแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแฟชั่นสังคมที่เสนอข้อมูลเท็จ รัทุกคนต้องชอบนำเสนอแต่รูปอารมณ์ด้านบวกแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งของโลกสองเราที่พยายามปิดบังความสัมพันธ์ของสองเรามีทั้งด้านบวกและลบควบคู่กันเสมอเราอาจจะเห็นเพียงอาการหวานชื่นฉอเลาะที่คู่รักทั้งหลายเต็มใจอวดโลกแต่เราก็ยังพบความหม่นหมองที่เขาพยายามกำบังไว้ในด้านมืดอยู่เสมอๆในโลกลี้ลับส่วนตน ทุกคู่รักจะมีเรื่องกวนใจให้คิดมากฟุ้งซ่านอยู่เสมอไม่มีคู่รักใดที่ไม่เคยทะเลาะกันแม่คู่รักนั้นจะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามก็ต้องมีวันกระทบกระแทกผิดใจกันได้ง่ายเพราะต่างมีความไวต่อความรู้สึกผิดคนทั่วไปสดชื่นได้ก็แง่งอนได้ประชดประชันได้ที่เหน็ดเหนื่อยตามจีบตามรับตามส่งกันด้วยใจรักจนร่วมหัวจมท้ายกันนั้น ล้วนแล้วแต่มีริ้วรอยบาดแผลที่เชื่อเฉนต่อกันและกันมามากมายแต่ก็นับว่าพอทนไหวถ้าปรงใจแจกการ์ดได้ที่กล่าวมา น, นี้ไม่ใช่ความตั้งใจจะเป็นปฏิปักษ์กับความรักของหญิงชายแต่เราควรหัดมองความจริงเพื่อจะได้ไม่เจ็บจนเกินไปเพื่อจะได้ทำใจเป็นเข้าใจในความผันผวนอันมีมาแต่ความรัก ถ้าเราเฝ้าฝันถึงรักในอุดมคติที่มีแต่ความหอมหวานอันเป็นเรื่องที่เราคิดเอาเองแต่ไม่มีเลยในโลกียวิสัยเราจะทำใจไม่ค่ยได้ที่เผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงโลกจึงไม่เคยว่างเว้นจากเสียงบทเพลงเศร้าบทตัดพอที่เก่อมาจากสองเราเลยคนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองความรู้สึกนึกคิดขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายประการจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความน่าทึ่งน่าพิสมัยที่เราสองครองใจกันอยู่จะค่อยๆ ค, คลายความตื่นตาตื่นใจลงไปตามกฎแห่งอนิจจังดังเด็กน้อยที่เริ่มเบื่อตุกตารักชั่วฟ้าดินสลายไม่มีหอกเป็นเพียงตำนานโกหกที่ปลอบใจมนุษย์ผู้วาดวันที่ไม่กล้ายิ้มรับกับโลกแห่งความเป็นจริงไม่นานหรอกเมื่อคลื่นอารมณ์สเสน่หาสงบลงบ้างคู่รักก็จะกลายเป็นเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้น แต่ความเป็นเพื่อนคู่คิดนี้ก็ต้องมาจากผลให้การถักทอสัมพันธ์กันมาด้วยความเห็นใจเข้าใจถ้าลำพังเพียงความลุ่มหลงต่อกันวันหนึ่งที่สางเมาขึ้นมาได้รู้ว่าเขาก็ไม่ใช่วิเศษวิเศษโศเลยเราอาจเลิกใส่ใจกันมือที่เคยลูบหลังแก่กันก็จะกลายเป็นมือที่ตบหน้าเอาในวันหนึ่งจะสร้างโลกของสองเราขึ้นมาก็ควรรู้ว่า แม้บางกล่าวเป็นโลกสดชื่นที่ดูน่าอิจฉาแต่ก็ยังมีมุมมืดที่น่าสงสารควบคู่กันไปใส่ใจในการฝึกจิตเอาไว้บ้างเพราะโลกของความเป็นจริงมิใช่วิมานในฝัน